เรื่องเล่าของบางสุด ต, ตอนที่หนึ่งกลับมาแล้วเหรอสัมผัสสยองสวัสดีครับวันนี้แอดมินมีเรื่องราวจากประสบการณ์ของคุณบางซุสที่ได้ส่งเข้ามา ให้กับช่องสัมผัสสยองของเรามันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเขาเองเมื่อครั้งตอนที่เขายังเด็กซึ่งเรื่องราวนี้จะแบ่งเป็นตอนๆให้ได้รับฟังกันต้องขอขอบคุณคุณบางซุสด้วยนะครับที่แบ่งปันประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆสมาชิกชาวสัมผัสสยองได้รับฟังกันเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลาเรามาฟังเรื่องราวกันเลยดีกว่า คุณบางซุสได้เล่าวา่าสวัสดีครับผมชื่อซุสสงสัยเละสิวา่าทำไมชื่อผมถึงแปลกๆฟังดูเหมือนเทพเจ้าซุสใช่ไหมละ่ะผมเป็นลูกครึ่งครับพ่อผมนับถือาศาสนาพุทธแม่ผมนับถือาศาสนาอิสลามหลังจากพ่อกับแม่ได้แต่งงานกันพ่อก็ได้ย้ายเข้าอิสลามตามแม่เพราะผมเกิดมาก็แน่นอนครับ ต้องเป็นมุสลิมแน่นอนร้อเปอร์ซแบบนี้เรียกว่าลุกครึ่งไหมล่ะครับเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงจากชีวิตผมและครอบครัวของผมต้องย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วผมและครอบครัวได้มีโอกาสกลับไปที่จังหวัดราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกซึ่งเป็นบ้านเกิดของพ่อผมเองผมขอบอกครอาวๆประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวจะรู้กันหมดว่าอยู่ตรงไหนตอนนั้นผมอายุ ป, ประมาณเจ็ดขวบซึ่งเป็นการกลับบ้านเกิดของพ่อครั้งแรกในรอบหลายปีเลยทีเดียวตั้งแต่พ่อมาทำงานที่กรุงเทพช่วงที่เดินทางไปนั้นเป็นช่วงที่โรงเรียนปิดภาคเรียนพอดีผมและครอบครัวเลยได้พักอยู่ที่นั่นเป็นเวลาทั้งหมด5วันและ5วันนี่แหละที่ผมจะมาเล่าประสบการณ์ที่เจอทั้งหมด5วัน ให้ได้รับฟังกันครับวันที่หนึ่งพอเดินทางถึงที่หมายพ่อผมก็ได้จอดรถหน้าสารไม้เก่าๆหลังหนึ่งซึ่งผมก็งงเลยถามพ่อไปว่าทำไมต้องจอดหน้าสารเลยละครับพ่อผมตอบกลับว่ามันเป็นที่ของปู่ย่าเราเองไม่เป็นไรจอดได้ซึ่งระยะห่างบ้านกับสาร ห่างกันประมาณหนึ่งรเมตรน่าจะได้พอพ่อผมจอดรถและลงจากรถก็มีคนมารอรับเต็มไปหมดซึ่งผมไม่รู้จักใครสักคนมีแต่พ่อและแม่ของผมที่เข้าไปทักทายกับกลุ่มคนที่มายืนรอรับได้พูดคุยกันแล้วยิ้มมีอาการดีใจอย่างเห็นได้ชัดที่ได้กลับมาที่นี่โดยเฉพาะพ่อของผมพ่อของผม ก็ได้แนะนำให้รู้จักกับคนที่มารอรับทุกคนมีคนหนึ่งที่ผมจำได้แม่นและจำง่ายที่สุดแกชื่อลุงเทพทำไมถึงจำง่ายนะเหรอลุงเทพทั้งปากแกมีฟันอยู่แค่สองซี่ผมเลยจำได้ง่ายบวกกับแกเป็นคนตลกด้วยแกเดินมาทักผมโตั ว, วเหมือนกันนะไอ้นิวนิวเป็นชื่อที่ย่าผมตั้งให้ครับ ครอบครัวทางฝั่งพ่อมักจะเรียกผมว่านิวมากกว่าเรียกซูสตอนนั้นผมก็ได้แต่ยืนยิม้มไม่รู้จะคุยอะไรกับแกเพราะพูดคุยกันเสร็จแล้วป้าระยาผมจึงได้พูดว่าเข้าบ้านกันเถอะไปดูบ้านกันหน่อยไม่ได้มานานแล้วคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อป้าผมพูดจบผมก็คิดทันทีว่าพ่อที่ป้าหมายถึง ต้องเป็นปู่แน่ๆเลยปู่ผมเสียตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลยครับไม่เคยเห็นหน้าตาไม่เคยเห็นรูปถ่ายเลยด้วยซ้ําผมดีใจมากครับที่จะได้เห็นหน้าปู่แล้วแม้จะเป็นเพียงแค่รูปถ่ายแต่ผมก็อดยิ้มและดีใจไม่ได้รีบเดินนําหน้าผู้ใหญ่ไปดุยๆพอเดินมาถึงหน้าบ้านลักษณะบ้านจะเป็นบ้านสองชั้น ชั้นล่างเป็นปูนส่วนชั้นบนเป็นไม้ด้วยความที่ผมเป็นเด็กผมกับน้องชายก็วิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานเนื่องจากบ้านมีขนาดทิ่กว้างและใหญ่มากแต่ก็วิ่งได้ไม่ทันไรเสียงแม่ก็ดังมาแต่ไกลเลยหยุดวิ่งเดี๋ยวนี้นะขึ้นไปไหว้ปู่ข้างบนบ้านก่อนพอแม่พูดจบ ผมกับน้องก็ได้รีบเดินขึ้นไปบนชั้นสองของบ้านแล้วสิ่งที่ผมเห็นต่อหน้าก็คือรูปถ่ายและโกรดกระดูกเยอะแยะไปหมดผมเลยถามพ่อและแม่ของผมว่าในรูปถ่ายคือใครกันบ้างหรอกครับเพราะผมถามเสร็จป้าก็รีบเล่าก่อนที่พ่อจะเอ่ยปากเสียอีกหลังจากฟังที่ป้าเล่าเสร็จผมก็ยกมือไหว้ เพราะทุกคนที่ผมเห็นในรูปล้วนเป็นปู่ทวดและญาติผู้ใหญ่ของครอบครัวผมทั้งนั้นหลังจากที่ยืนมองดูรูปบรรพบุรุษได้สักครู่หนึ่งพ่อผมก็ได้เอ่ยขึ้นว่าป้ะเราไปหาอะไรมาทำกับข้าวกินกันดีกว่าพ่อหิวแล้วพอสิ้นเสียงพ่อพูดจบลุงเทพกับปาก็ได้ชวนพ่อผมไปซื้อกับข้าวมาทำกินกัน วันนี้วันสุขมีตลาดนาทีวัดวัดอยู่ใกล้ๆนี่เองห่างจากตัวบ้านไปไม่เกินสามกิโลเมตรซึ่งผมไม่ขอเอ่ยชื่อวัดนี้นะครับพอสิ้นสุดเสียงลุงเทพกับป้าพ่อผมก็ไม่รอช้ารีบขึ้นรถอย่างไวไม่รอใครเลยบนหิวนั่นหิวนี่จะซื้อนั่นซื้อนี่เวลาผ่านไปน่าจะเกือบชั่วโมงพอ่อป้า และลุงเทพตังกลับมาพร้อมอาหารมากมายไม่ว่าจะเป็นไก่กุง้งปลาปลาหมึกปูและอื่นอื่นอีกมากมายพอเห็นอย่างนั้นก็ไม่รอช้าครับผมรีบวิ่งไปช่วยขนของโดยเร็วเพราะว่าผมกับน้องเริ่มหิวแล้วเหมือนกันหลังจากขนของลงจากรถมาหมดแล้วพวกผู้ใหญ่ตังก็ช่วยกันรีบทำอาหารเพื่อที่จะนั่งตั้งวงกัน ไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าวงอะไรและแล้วเมื่ออาหารที่แสนจะอร็จอร่อยก็มาถึงผมกับน้องไม่รอชา้ารีบใส่กันอย่างไวแต่ยังไม่ทันที่จะลงมือกินก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังมาอีกแล้วเสียงแม่ผมนี่เองแม่บอกกับผมว่าให้เอาอาหารขึ้นไปให้ปู่และทวดที่ข้างบนชั้นสองด้วยผมอูดานในใจ ให้ตายถึงแม่ตอนนี้มันใกล้มืดแล้วนะบรรยากาศมันดูวังเวงอึมครึมยังไงไม่รู้ใครจะกล้าขึ้นไปล่ะครับจนพ่อผมต้องเดินขึ้นไปเป็นเพื่อนด้วยพราะก้าวขึ้นไปเท่านั้นแหละความรู้สึกมันก็เปลี่ยนไปไม่เหมือนแบบตอนกลางวันเลยตอนนี้มันดูน่ากลัวยังไงชอบกลแต่ผมก็ไม่คิดอะไรมากเท่าไหร่หรอกครับ เพราะมีพ่อขึ้นมาด้วยแถมตอนนี้ยังห่วงกินอีกต่างหากพอวางอาหารให้กับปู่และทวดเสร็จผมก็รีบลงมาทานอาหารเลยครับเพราะมีแต่อาหารที่ชอบทั้งนั้นเลยส่วนผู้ใหญ่ก็นั่งตั้งวงสนทนาดื่มกันอย่างสนุกสนานจนเวลาล่วงเลยมาถึงสี่ทุ่มกว่าๆอย่างที่เข้าใจกันดีล่ะครับตั้งจังหวัดก็ต้องนอนไวเป็นธรรมดา ลุงเทพบอกว่าปกติคนแถวนี้อ่ะสองทุ่งเขาก็นอนกันแล้วแต่วันนี้ดึกเพราะมีคนในครอบครัวมาเยี่ยมนี่แหละพอลุงเทพพูดจบ ก, ก็บอกว่าเอาหมดแก้วหลังจากอิ่มน้ำสำราญกันแล้วก็ได้เวลานอนสิครับยา่าแม่และป้าก็ได้จัดแจงที่หลับที่นอนให้แต่ละคน โดยที่นอนก็ไม่ใช่อะไรเลิศเลอหรอกครับเสื้อผืนมอนคนละใบผ้าโฮมเก่าๆและมุงที่ไว้กลางนี่แหละครับแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็มาจนได้ด้วยความแปลกที่พอทิ้งตัวลงนอนได้สักพักหนึ่งก็พลิกไปพลิกมายังไงก็ไม่หลับแต่ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่ไม่หลับน้องผมแม่พอ่อ และญาติคนอื่นๆต่างก็ยังไม่มีใครหลับจนมีบางอย่างที่ทุกคนไม่คาดคิดเกิดขึ้นนั่นคือเสียงเป็นเสียงเคาะประตูเคาะเรื่อยไม่มีเสียงเรียกหรือพูดอะไรสักคำจากข้างนอกนั้นเลยสักพักก็มีเสียงเด็กร้อง แล้วก็มีเสียงเหมือนกับว่ามีคนกำลังกล่อมลูกน้อยอยู่ในบ้าน oh, <no. S 1> จนผมถามแม่ว่าแม่ครับเสียงอะไรอะ่ะแม่มือปิดปากผม พรมกับทาท่าทางว่าไม่ให้พูดเสียงเคาะก็ดังอยู่เรื่อยๆแต่คราวนี้ไม่ใช่แค่ดังที่ประตูแล้วครับมันดังรอบบ้านเลยเสียงเคาะดังไปเรื่อยๆจนไปถึงหลังบ้านทุกคนสงสัยว่าหลังบ้านจะเดินไปเคาะได้ยังไงเพราะทางเดินไม่มีมีแต่รางน้าเท่านั้นแหละลาพังผมและน้องที่ว่าตัวเล็กๆยังเดินลาบากเลย พอเสียงข้อนั้นเงียบลงสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นมาอีกคราวนี้เป็นเสียงเดินอยู่บนชั้นสองของตัวบ้านซึ่งเป็นชั้นที่เก็บโกรกระดูกนั่นเองเสียงนั้นทั้งเดินทั้งวิ่งอย่างสนุกสนานมันมาพร้อมกับเสียงผู้หญิงและผู้ชายคุยกัน เป็นเสียงหัวเราะกันอย่างมีความสุขจนเราที่อยู่ด้านล่างรู้ได้เลยว่าเขากำลังมีความสุขกันแต่ด้านล่างนี่สิครับคนลุกสู้เลยได้แต่คมตาให้หลับเวลานะตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันเดินช้ามากๆอยากจะให้เช้าไวๆผมไม่ไหวแล้วซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นคุณบางซุดได้ถามพ่อกับป้า ก็เลยได้รู้ว่าตอนที่คุณย่าของเขาได้ตั้งท้องและคลอดป้าคนหนึ่งแต่ป้าคนนั้นได้เสียชีวิตลงหลังจากคลอดได้แค่สามวันเท่านั้นมันทําให้เขาเชื่อว่าเสียงเด็กน้อยที่ร้องนั้นน่าจะเป็นป้าของเขาแน่ๆนี่เป็นเรื่องราวของวันที่หนึ่งที่คุณบังซุตและครอบครัวได้ประสบพบเจอกับเหตุการณ์ขวัญผวาที่น่าขนลุก หลังจากนั้นเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อก็รอติดตามรับฟังกันในเรื่องเล่าของบางสุดตอนที่สองได้นะครับ หัดสยอง